ขอน้อมน้อมต่อคุณพระธนตรยัยโอกาสพระอาจารย์นรงวิทย์เพื่อนสันมิุท่านเจริญธรรมม่ชีรละยาติธรรมทุกท่าน น, าททา น, นั่งสบายๆเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะเ <c oughs> มื่อวานก็ตกแรงมาก <c oughs> เดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงพอดีเสียงไม่ค่อยมีคิดว่าฝนตกขนาดนี้ก็คงจะ อ่าหลายๆจังหวัดก็น่าจะน้ำท่วมกันเนาะพอดูแล้วอ่าพายุเนะ่ยเข้ามาแรงมากนะเรียกว่าในรอบปีนี้ก็คราวนี้ก็น่าจะแรงที่สุดนะก็ยังเป็นห่วงว่ากุฏิที่จะมาพักจะน้ำท่วมหรือเปล่า <c oughs> พรามาก่อนถ้าฝนตกระดับนี้ก็จะมีโอกาสน้ำท่วมนะ <c oughs> บางที <c oughs> เคย <c oughs> เคยตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนบดีนะ่นพอได้ยินเสียงน้ำจอกจๆ เปลียงน้ําำเบาๆนะตื่นขึ้นมาอ้าวน้ําก็เลยกระท่วมกุดพอดีเลยเลยต้องย้ายของออกมาโอ้ยุง่งเลยหมดเลยนะเนี่ยมันลําบากเมื่อคืนก็ต้องตื่นมาดูนะอ่าประมาณห้าทุ่มมาดูน้ําจะท่วมไหมเอาไปฉายสอ่องดูโอ้ยังไม่ท่วมก็เลยนอนต่อเนาะไม่รู้มันจะท่วมกันไหลเพราะมันเป็นกุดที่อยู่ต่ำํำนะในวัดเนี่ยอยู่ต่ําที่สุดเลยแล้วก็น้ําจากในวัดนีก็ไปรวมกันที่กุดน้ําจากนอกวัดนะชาวบ้านก็มารวมกันที่กุด ถลายออกไม่ทันก็น้ําท่วมเนาะ <c oughs> มันมันจริงเรียกว่าน้ํานี่ก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเหมือนกันเนาะถ้ามากําลังดีกําลังดีก็ได้ประโยชน์นะอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ต้องการน้ําฝนเลยนะโอ้แต่ขยันไปตกกันเหลือเกินนะแต่ตามตายย่จังหวัดนะตามที่อธิกันดารต่างๆอีสานอะไรเนี่ยต้องการฝนไม่ค่อยังมาตกกันนะพอมาตกเป็นยังไงบ้างตกก็ตกเยอะเกินไปเนาะ กำลังบางทีข้าวเนี่ยกําลังขึ้นมาเตรียมจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยน้ําท่วมีเดือนเนีเสียหายหมดเลยนะน้ําท่วมเนี่ยไปแช่รากของของต้นข้าวที่กําลังที่จะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยถอแช่นานกันไหมเขาก็จะเน่านะเขาก็ตายเนี่ยก็ทําให้เสียหายเนาะเนี่ยจึงว่าฝนเนี่ยก็มีทั้งโทษและมีทั้งคุณเหมือนกันนะแต่ที่มีคุณมีมากกว่านะถ้าไม่มีฝนนี่เราก็แย่เลยใช่ไหม แต่ก็นี้ฝนเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมะกับเราได้อย่างหนึ่งว่าเออถ้าฝนตกนี่นะอ่าถ้าเรามีร่มก็ไม่เป็นไรในชะ่ไหมเออฝนตกเนี่ยถ้ามีเรามีร่มไม่เป็นไรเหมือนกับบางทีอาตมาและพระเนี่ยไปบินทบารดกันนะบางวันเนี่ยอดูแล้วท้องฟ้าเหมือนกับฝนมืดมาเลยเอาลมไปนะปรากฏว่าฝนไม่ตกนะแต่พอดูบางบันโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสนะไม่ได้ลมไปไม่แต่คนเดียวเดินไปกลางทางนี่ฝนตกเลย โอ้ตกแรงด้วยนะตกตกแบบอ่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเมื่อสักสองมาสาก่อนนี่แหละเปียกหมดทุกองค์เลยก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้เนะบางวันเหมือนก็จะตกก็ไม่ตกบางวันเหมือนก็ไม่ตกก็มาตกแต่ชาวบ้านทีก็ให้ยืมร่มมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เอาของเขาหรอกเพราะมันเปียกเปียกกันทุกคนแล้วเลยไม่รู้จะมาทําไมนะนี่แหละมันจึงว่าเออถ้าเรามีล่มมันก็ไม่เป็นไรนะเหมือนกับเรามีหลังคาใช่ไหมตรงเนี้ครับพอฝนตกก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าบ้านที่หลังคารู่ล้วนเนี่ยก็เปียกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเรามีสติอยู่ตัวนะสติอยู่ตัวเนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไปเห็นสิ่งใดที่ชอบใจเราก็รู้ทันเออชอบใจรู้ทันนะสิ่งใดที่ไม่ชอบใจมีใครมาด่าเราเราก็รู้ทันใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าฝนไม่ล่วในใจเราเพราะเราก็ไม่ทุกข์ในตรงนี้นะใครจะด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรเรามีสติคุ้มกันนะพอเรารู้ทันความคิด เออขณะนี้เข้ามาด่าแล้วน ะ, เ ร, ะ, ะ, เ, เ, วะเรากำลังจะโกรธแล้วนะเรากําลังอจะเกลียดเขาแล้วเรากําลังจะด่าตอบเขาแล้วน ะ, ะเรารู้ทันปุ๊บเราก็ไม่ด่าแล้วใช่ไหมแต่ใครก็มาดา่าปุ๊บเราไม่มีสติรู้ไม่ทันเออขณะนี้กํลาลัยจะโกแล้วนะเราก็เลยด่าดเขากลับเลยนะเนี่ยอันเนี้ยพอด่าดเขากลับปุ๊บเนี่เป็นไงนะเขาก็ด่าดเรากลับมัง่งใช่ไหม <laughs> ด่าเรากลับเราก็เลยด่าดเขากลับนะมันก็เราเห็นแม่ค้าอย่างน้โโหทะเลาะกันนะแป๊บเดียวด่ากันแล้วนะ ด่ากันแล้ ว, วไปขุนเรื่องในมุงบ้างเรื่องอะไรมาดากันเรื่องที่ด่าให้คนอื่นแสบน่ชอบชอบมากนะด่าไปด่ามาคนฟังก็ชอบนะก็มาลุมดูกันมาฟังมาลุมดูกันไปไทยมุงนะแม่ค้าด่ากันสนุกน ะ, อะพอหัวลอเสียงดังไปแม่ค้าก็เลยดา่าไอคนที่หัวล้ออกีกเราก็เลยโดนด่าไปด้วยนะก็ไปหัวล้อเขาอย่างน ะ, ะนี่แหละเพราะว่าเรารู้ไม่ทันนะก็เลยด่ากันไปด่ากันมานี่แหละสมัยก่อนเราจะเป็นคนตากไว อ่าใครมาด่าลบพวกเราด่ากลับเลยนะแต่ไที่ด่ากลับเนะี่ยเพราะมันด่าด้วยโทรศันะนะมันโกรธเนี่ยมันถึงด่ากลับใช่ไหมอยากจะให้เขาเจ็บใจนะอยากให้เขามีความทุกข์เราด่าใครแล้วเขามีความทุกข์นี่เราชอบใจนะแต่ถ้าเราด่าใครแล้วเขาเฉยๆเขา ย, ยิ้มมีความสุขเราเป็นทุกข์เองเลยนะลองดูนะกลับไปนะด่าใครเนี่ยอยากจะให้เขามีความทุกข์แต่ถ้าเขาก็เฉยๆเขาไม่ทุกข์ไม่อะไรเขายิ้มมีความสุขเราเนี่ยจะทุกข์เองใช่ไหม นี่ยแสดงว่าเออความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัวเราเนะี่ยแหละไม่ตัวใครหรอกนะเพราะฉนั้นถ้าเราอยากจะให้ใครที่เขาด่าเราเขามีความทุกข์นะเราไป็นไงมัางเราก็อย่าไปด่าเขากลับนะเรายิ้มมีความสุขยิ้มมีความสุขเลยนะรับประกันได้เลยนะนั่นแหละทำให้เขามีความทุกข์นะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ไปนสนองกิเลสเขาใช่ไหม เ, ออเขาอยากจ้เรามีความทุกข์แต่เมื่อเรามีความสุขเขาก็จะมีความทุกข์เองนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยก่อนนั่นก็ ไปไปที่บ้านพามแลไปบินรบาด ท, ที่บ้านพามพามก็ดา่าพระพุทธเจ้าน ะ, ะเป็นคนไม่มีลดไม่มีชาตนะิเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนะด่าคำลังแรงประมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่ผุดไม่เกิดก็ดีแล้วนะนั่นก็บอกว่าไม่เป็นไรดีแล้วนะ ครั้นะี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามพราหม์ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ด่ากลับนะขนาดโดนดาน่าแรงพระเจ้าก็ใจเย็นสบายๆนะพระเจ้าก็ถามพรามณ์ว่าเมื <c> ่อ <oughs> มีแขกมาที่บ้านของท่านแล้วท่านนําอาหารมาให้แขกรับประทานเนี่ยถ้าแขกเขไม่รับประทานอาหารจะตกกับใครนะาถามบอกว่าก็ตกเป็นของข้าพเจ้าเองนะพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยแหละเมื่อท่านดา่ดาด่าตถาคตตถาคต อไม่รับในสิ่งนั้นคําด่าจะตกกับใครนะอ่พามก็เลยนึกได้อดตกกับข้าพระเจ้าเองนะไม่ตกกับใครเลยนะพามก็เลยได้สํานึกตัวนะตอนหลังก็เลยมาเป็นอ่าเป็นพุทธมาร ก, กะนะก็คือถือพระรากณไตเป็นที่พึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ใดที่โกรธเข้ากับนะคือเขาโกรธอยู่แล้วเราไปโกรธเข้ากับเนี่ยผู้นี้น่ะมีเรียกว่ามีบาปสองเท่านะ คนที่กรเราก่อนเนี่ยจะค่าท่าเดียวนะแล้วเราไปกรธเขากลับเนี่ยหรือไปด่าเขากลับเนี่ยเรามีบาปมากกว่าเขาเองนะอันเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยอรู้ไม่ทันกินเลสนะแล้วไปด่าเขากลับเนี่ยแสดงว่าเรานี่แรงกว่านะอะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอให้เรามีอาภัยทานนะใครมาด่าเราแล้วก็ทนได้นี่แหละเราจึงเป็นอาภัยทานที่ดีเนี่ยเราได้บุญมาก <c oughs> เพราะเกิดจากการที่เราให้อาภัยทานแล้วตรงนี้เราก็จะชนะกินเลสได้ครนะ <c oughs> ครัน้นี้ที่เราจะเป็นมบบนั้นได้แล้วก็มาฝึกสติกันนะรู้เท่าทันใจเรานี่แหละรู้เท่าทันใจใจมีโทสะรู้ไหมใจมีโมหารู้ไหมใจมีโลภะรู้ไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญที่สุดนะเพราะถารู้ทันปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเบาลงเขาจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะตรงเนี้ยมันสิ่งที่นําให้เรามีความสุขและนี่แหละก็คือร่มของเรานะร่มที่ว่ากันฝนได้เพราะเราจะไปห้ามฝนตกไม่ได้หรอก แต่เมื่อฝนตกแล้วเนี่ยเรามีลมไหมใช่ไหมลมมันคือป้องกันอ่าตัวเราไม่ให้เข้าไปในรมณ์ต่างๆเหล่านั้นอเราสามารถรู้ทันความคิดอรู้ทันอารมณ์แล้วเราก็ออกมาได้ตรงนี้เราจะมีความสุขทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจิตติก็คือให้เรารู้ทันอารมณ์ทั้งหลายแหล่นั่นเองเมื่อรู้แล้วเราก็ปล่อยก็วางก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ <c oughs> ครั้เนี้ฝนนี่เป็นสิ่งอะไรนะเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหม ฝนนี่บางทีคือบางบางครั้งในะที่วัดเนี่ยฝนจะไม่ตกเป็นเวลานานมากเลยจนน้าแห้งสระนี่คันี้พาวันบางวันนี่ตั้งเขามามืดอ่ทันมึนเลยน ะ, อะตอนนั้นก็อาตมารู้สึกดีใจมากนะเออฝนมันจะต ก, กเพียงเนาะอะปรากฏ ว, ว่าฝนหายไปเลยไม่ตกเลยหายไปเลยทั้งๆ้งนี่มันมืดมาแล้วนะมันหายไปเลยไปตกที่อื่นก็รู้สึกผิดหวังนะ รู้สึกผิดหวังทําไม่เป็นแบบนี้นะมันน่าจะตกก็ไม่ตกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเราบังคับฝนนี่ไม่ได้เลยนะอะเขาอยากจะตกก็ตกเขาอยากจะไม่ตกก็ไม่ต ก, ก, ตกนะนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นของไม่น่าไม่นอนเป็นสิ่งที่อ่าไม่เที่ยงนะอะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาตินะผู้ใดเข้าใจธรรมชาติผู้นั้นมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้นะ เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองนะธรรมชาติคื อ, อไรก็คือความไม่เที่ยงนี่แหละความไม่เที่ยงนี่คือธรรมธรรมชาติทั้งหมดเลยนะเราจะเห็นน ะ, ะบางประเทศเนี่ย น, นะมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวน ะ, ะเดี๋ยวก็พายุเข้านะยกตัวอย่างทางญี่ปุ่นนะฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรพวกนี้เป็นประจำนะโดยนฟิลิปปินสน์เห็นโดนทั้งปีเลยเดียยเด๋ยวก็พายุเข้าญี่ปุ่นเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวสึนามิ นะประเทศเราเนี่ยจะพะจนกับสิ่งนั้นทำให้คนมีความเข็มแข็งเข้มแข็งอย่างเช่นญี่ปุ่นเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนนะซีเนอร์มิเข้ามาในน่นะปรากฏว่าคนเนี่ยอ่ลำบากมากเลยนะเรียกว่าไม่มีที่อยู่ที่กินนะต้องเข้าแถวรับอาหารกันนะยืนเป็นระเบียบเป็นแถวเรียงหนึ่งเลยนะไม่มีใครแย่งกันเลยรับอาหารแล้วก็เขาก็ไม่มีความทุกข์มากนะ เพราะว่าอะไรเขาเขาเจอสูนามิมามบ่อยๆนะอ่าตรงเนี้ยเขาได้เจอความไม่เที่ยงมาแล้วแล้วเขาก็ยอมรับในความไม่เที่ยงเหล่านั้นนะว่าสิ่งเหล่าเนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดได้แล้วก็เกิดบ่อยๆได้เขายอมรับเขาก็ไม่มีความทุกข์มากเขาก็มีระเบียบเรียบร้อยแต่ของประเทศไทยเป็นไงนะเมื 4, นะ่อปีห้าสี่นะฝนตกมาแล้วก็น้ําท่วมนะจากภาคเหนื อ, อไหลไปภาคกลางไปไปกรุงเทพเนี่ยเร า, ยาเห็นภาพที่คน <c oughs> แย่งอาหารกันนะ แย่งกันนะ nah, แย่งใครเอาอะไรไปจากนี่แย่งกันแย่งกันไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะแย่งไม่มีเข้าแถวเรื่องหนึ่งแล้วแย่งกันบางทีไปกัน้นกันน้ําให้ไปท่วมถนนอนะีกฝั่งนะกั้นเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ไปท่วมถนนอีกฝั่งหนึ่งคือพอโดนกดั้นในฝั่งนี้ก็จะโดนท่วมเยอะอีกฝั่งนึงก็ไม่ท่วมปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างชาวบ้านเป็นลื้อขันกันน้ํามันนะให้มันท่วมเสมอกันหมดเลย <c oughs> นี่แหละคือคือผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงนะ อจะยอมมีความทุกข์หน่อยให้คนอื่นเขาไม่มีความทุกข์ก็ไม่ได้ต้องให้มันทุกข์เสมอกันนี่หละแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยยอมรับความจริงในความที่เรามีความลําบากในในความไม่เที่ยงในตรงนี้เนาะเพราะฉนั้นนะผู้ใดที่ยอมรับความจริงในความไม่เที่ยงผู้นั้นก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะอ่าเราเราได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยใช่ไหมบางทีมีคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะถึงแก่ความตายไปนะ Uh huh. ถ้าเราเข้าใจในความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เป็นไรเขาตายไปก็ดีแล้วนะเขาจะได้พ้นจากความทุกข์เข้าหมดกรรมนะไม่ใช่เราไปใช่เขาตายนะแต่เรายอมรับในความตายของเขาใช่ไหมเออตายไปก็ดีเหมือนกันนะเขาได้หมดกรรมเนี่ยบางคนที่ปนะ่วยหนักๆหรือบางคนที่เรียกว่ามีชีวิต i, ด้วยความทุกข์เนะีนะ่ยเขาตายไปก็ดีเหมือนกันนะเขาได้หมดกรรมหมดความทุกข์ไป <spray> นะคือเรายอมรับความจริงในตรงนั้นนะถึงแม้เป็นคนที่เรารักใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ว่าโอ้เราเสียใจมากเลยเขามาตายไปเราก็ลองให้คําควรมีความทุกข์มากนะตรงนี้เราไปห้ามความตายไม่ได้นะคือทุกอย่างเนี่ยเราห้ามไม่ได้เลยแต่เมื่อเกิดขึ้นเรายอมรับเขาไหมตรงนี้สําคัญกว่าใช่ไหมมันก็เมื่อกี้ที่เราสวดสวดว่าสัรเพสังฆารานิจจาเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง อาฐานิพินทติทุกเคเอสสามะโภวิสุธยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางแห่งความบริสุทธินะ์เนาะคือผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์นี่แหละนะผู้นั้นนะก็จะเห็นหนทางแห่งพระนิพพานได้นะก็คือเราก็จะเบื่อหน่ายมันนะทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยน ะ, ะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเราก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายในขันห้านี่แหละไม่ได้เบื่อหน่ายที่ไหนเนาะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายอะไรนะเราลองดูว่าตัวเรานี่มันเที่ยงไหมใช่ไหมตัวเราไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะถ้าเราเที่ยงตานนี้เราก็เป็นเด็กๆตัวเล็กๆแล้วใช่ไหมอตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วกระแดดมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่เที่ยงยังไงอีกนะอเดี๋ยวก็ผมงอกใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นสาวๆเิมผมเรื่องงอกก็มีแล้วนะอื พอยิ่งแก่ในผมก็จะเริ่มงอกเป็นสีขาวแล้วเราก็ไม่ยอมรับนะเราก็ไปยอมเป็นสีน้ําตาลโอ้คันนี้สวยกว่าเก่านะโอ้สวยขึ้นมาเลยนะเราก็เราสวยแล้วนะผมขาวผมขาวกลายเป็นสีน้ําตาลไปเลยนะทำสมัยเนี่ยแต่มันไปบิดปิดบางอะไรปิดบางความไม่เที่ยงนะนะเราเราตาตามม่นะสายตาสั้นสายตายาวนะอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงนะเราทําไงก็ไปตัดแว่นมาใส่นะ ก็ไปปิดบังความจริงออกนะออปิดบังความจริงนะแต่ไม่เป็นไรนะปิดบังความจริงเพื่อให้เราเห็นชัดก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรายอมรับไม่ว่านี่แหละคือความไม่เที่ยงใช่ไหมครันนี้เมื่อก่อนหูเราดีๆนะหูเรามันหย่อนหย่อนน ะ, ะต่อมาหูมันก็เริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะเราจะได้ยินเสียงต่างๆไม่ค่อยชัดนะเราก็ต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะนี่แหละคือความไม่เที่ยงใช่แล้วเราก็เห็นความจริงถ้าไม่ว่าคือความไม่เที่ยงนะ ตรงนี้ต้องกลับมาเห็นนะว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะผิวหนังเมื่อก่อนเราเคยเต่งตึงนะมันก็เริ่มหย่อนไป <c oughs> มันตรงข้ามาหูนะหูมันตึงแต่ผิวหนังมันเริ่มหย่อนใช่ไหมนี่แหละคือความไม่เที่ยงนะแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาเตกตึงเต่งตึ ง, ตงนะไปดึงหน้าให้ตึงขึ้นมานะหน้าแด้งนะีนะ่แหละผิวดําก็ไปทําให้เป็นผิวขาวต่างๆนะงเนาะ <c oughs> เนี่ยไปปรับปรุงเขาสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาแสดงความจริงแล้วเนาะ เราเกิดมาแล้วนะเป็นอย่างไรนะเราสวดมนต์ตอนธรรมเช้าเนี่ยชาติปิทุกขาความเกิดเป็นความทุกข์ชะลาปิทุกขาความแก่เป็นความทุกข์มรณะนำปิทุกขังอความตายก็เป็นความทุกข์โสกาปิริเทวทุกขโทนัสุปายาสาปิทุกขาความโศกความล่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแทนใจนี่แหละก็เป็นความทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นความทุกข์การพัดผ้าจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นความทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์นะเห็นไหมมันไม่เที่ยงนะนะมันก็จะมีความทุกข์อีกแล้วนะอะความทุกข์นี่เราหลีกเลียงไม่พนนะ้นเนาะชีวิตเราเนี่แหละทั้งกายและใจนี่มีความทุกข์จริงไหมบางคนบอกว่าเราไม่มีความทุกข์อะไรเลยเรไม่ต้องไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมก็ได้ใช่ไหม อันนั้นเขาเข้าใจผิดแล้วน ะ, ะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในชะ่ไหตอนนี้รับประกันเลยนะก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในกายเราแน่นอนในชะ่ไหมเรานั่งปวดเมื่อยนะเป็นความทุกข์แล้วใช่ไหมปวดอุจจาระปัสสาวะโอเป็นความทุกข์แล้วนะรู้สึกหนาวๆเป็นความทุกข์แล้วรู้สึกหิวเป็นความทุกข์แล้วนะบ่วงนอนก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราเห็นเขาไหมใช่ไหม อตอนนี้อาตจมาต้องพูดแข่งกับฝนนะก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกันนะรู้สึกมันเหนื่อยพูดแข่งกับฝนนี่มันมีความเหนื่อยเหมนะือนกันนะมันก็มีความทุกข์นี่แหละใช่ไหมนี่แหละความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแล้วเราเห็นมันไหมล่ะใช่ไหมมันสําคัญนะเราต้องกลับมาเห็นนะความทุกข์นี่แหละใช่ไหมเราหนีมันไม่พ้นหรอกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาทุกเท่า น, นาพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ใช่ไหมหรือว่าำเขียนก็เขียนไว้นะ ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกหรือแม้แต่ที่สูตรนี้บอกว่ามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่แล้ทุกเท่านั้นนี้ดับไปนะเราต้องเห็นความทุกให้ได้เลยใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นความทุกเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันทุกเราก็ไม่ดิ้นรนหน้จาความทุกนะตรงนี้นะผู้ใดเห็นความทุกผู้นั้นจะพ้นทุกก็เพราะว่าเมื่อเราเห็นความทุกแล้วจิตเราก็จะดิ้นรนหน้จากความทุกเราก็จะหาทางพ้นทุกนะคราวนี้น่ะ เราบังคับบัญชาเขาได้ไหมนะบังคับบอกว่าอยากแก่ได้ไหมใช่ไหมบังคับบอกว่าให้เขามีสติทุกวันใช่อหม <c oughs> เราไปบัติธรรมแล้วเราเห็นไหมเราบังคับเขาได้ไหมใช่ไนหะมเมื่อวานนี้นะเอเราไปบัตรทำมันมีสติทั้งวันเลยนะมันรู้สึกตัวได้ทั้งวันอ่านะแต่พอมาวันนี้ปับ๊บเอ๊สติมันหายไปไหนนะมันทำํำไมฟุ้งซ่านทั้งวันเลยนะ นี่แหละมันแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้แล้วเขาจึงไม่เที่ยงใช่ไหอ่าหรือว่าเราเห็นความคิดไหมคนเขาบอกว่าวิจัยนะบอกว่าความคิดวันละประมาณห้าหมื่นครั้งนะห้าหมืนครั้งเรารูได้ว่าเราตั้งใจคิดเนี่ยประมาณกี่ครั้งนะตีสักประมาณร้อยครั้งแล้วเท่านั้นเองนะแต่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันคิดมันเองจริงหรือเปล่าเนาะ มันเป็นสิ่งที่ว่าเขาคิดเองเราไม่ตั้งใจคิดนี่แหละเราบังคับเขาไม่ได้นะความคิดนี่แหละเราบังคับเขาไม่ได้เลยนี่คือความจริงอ่าที่เราสามารถเห็นไหมใช่ไหมความคิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่าเขาเกิดเองแล้วก็ดับเองนะเราบังคับเขาไม่ได้แล้วเราไปเห็นไหมว่าเขาทํางานได้เองนะจิตใจเนี่ยก็ทำงานเองใช่ไหมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วนะอ่า แต่ไม่เป็นไรนะเราก็สู้ต่อไปนะสู้ไม่ใช่ใครนะเพราะว่าตอนนี้ให้กําลังใจตัวแตมาเองว่าเราต้องสู้กับฝนต่อไปแ <g ül> ม้ฝนจะตกหนักก็ไม่เป็นไร น, ะนี่เรายอมรับความจริงน ะ, ะเราจะไม่ไม่ยอมเลิกล้มในการที่เราว่าเราจะต่อสู้กับฝนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับฝนไม่ได้เลยใช่ไหมความคิดเหมือนกันเราบังคับเขาหยุดได้ไหมไม่ได้นะให้หยุดคิดเพียนาทีก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมนี่แหละเราบังคับบังคับจิตใจเราไม่ได้นะความโกรธเราบังคับได้ไหม บอกอยากโกรธนะตลอดชีวิตเราต้องไม่โกรธเลยเพราะเรามีสติแล้วต้องไม่โกรธเลยบังคับไม่ได้ใช่ไหมลุงปูดูบอกว่ามีคนถามลุงปูดูบอกว่าเราจ ะ, ะดับความโกรธได้เด็ดขาดไหมลุงปูบอกไม่มีใครละความโกรธได้เด็ดขาดหรอกมีแต่รู้ทันแล้วก็ดับไปถามลุงปูบอกว่าลุงปูมีความโกรธไหมลุงปู่ว่ามีแต่ไม่เอานะอันนี้คือคือความจริงที่น่ารักมาก <c oughs> ความจริงที่น่ารักมากเพราะว่า บอกว่ามีแต่ไม่เอานี่ไปกำลังใจกับพวกเรานะอ่าแต่ถ้าบอกว่าอต้องไม่มีความโกรธเลยนะอ่าเป็นภริยาเจ้าไม่มีความโกรธเลยเราเราจะรู้สึกมันยากใช่ไหมมันยากโอ้เรายังมีความโกรธอยู่เลยแล้วไม่จะทําอย่างไรเราต้องไม่บรลูทำแน่นอนใช่ไหมแต่หลวงปู่ดูบอกว่ามีแต่ไม่เอานี่มันเป็นกาลังใจพวกเรานะเพราะพวกเรานี่สามารถมีความโกรธได้นะ <forever> แต่อยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอามากกว่าใช่ไหมนี่แหละตรงนี้มันสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้น เมื่อกี้บอกแล้วว่าความคิดเนี่ยเราไปบังคับเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นความโกรธหรือกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราไปบังคับเข้าไม่ได้หรอกก็ต้องหมดไปอ่าต้องไม่มีต้องไม่เกิดขึ้นอันนี้เราไปบังคับเขาแล้วนะแต่เขาเป็นยังไงเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเป็นไปตามปัจจัยเพราะอย่างไรเป็นไปตามปฏิจจสมุป บ, บาทนะปฏิจจสมุป บ, บาทก็คือเมื่อเรามีอายตนะก็ ค, คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีการสัมผัสเกิดขึ้นเรียกเป็นผัสสะอ่าผัสสะในการเห็นรูปอ่าได้ยินเสียง อ่าได้กลิ่นได้รสอ่ากระทบทางใจทางกายนี่แหละเป็นผัสสะใช่ไหมเมื่อเกิดผัสสะก็จะเกิดเวทนาเวทนาคืออะไรคือความชอบใจความไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยเห็นไหมเนี่ยชอบใจและไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็คือโทสะชอบใจก็คือโลภะอ่าเฉยเยก็คือเฉยเฉยนั่นเองเนะาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะมีความโกรธได้นั่นเองเวทนาเนี่ยเป็นความโกรธได้ใช่ไหมเมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาก็คือความยึดติดอ่าความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้น อยากจะได้มากมากๆขึ้นนะหรือไปผักใส่เขาน ะ, อะพอมีตันหาปุ๊บก็ไป็นอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นไปยึดติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการของกฏิดจากสุ บ, บาร์เราไปบังคับเขาไม่ได้นะเขาเป็นไปตามกระบวนการเช่นนี้เองเพราะฉะนั้นในจุดที่เป็นเวทนานี่แหละมันมีโอกาสที่เป็นความโกรธได้แต่เมื่อมีความโกรธแล้วเราทำไงนะ ก็คือเรารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันแล้วก็เฉยๆไปไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ให้ค่านะคนี้สำคัญนะไม่ให้ค่านี่แหละก็คือการที่เราไม่เอาอย่างที่หลวงปู่ดูลบอกนะไม่ให้ค่าคือไม่เอาไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหช่างมันแล้วแล้วไปไม่อะไรกับอะไรนะเป็นคำปล่อยคำวางการมยจติเป็นการรู้เฉยๆนะเราไม่ไปแปบผักใสว่าต้องไม่มีความโกรธนะความโกรธมาต้องดับไป ต้องกำจัดทันทีนะั่นนั่นมันไม่ได้รู้เฉยเฉยนั่นคือการที่เราไปบังคับไปควบคุมนะไปจัดการเนี่ยเขานะอันนี้มันไม่รู้เฉยเฉยอันนี้เป็นการแทรกแซงพระธรรมแต่ถ้าความโกรธขึ้นเรารู้เฉยเโดนที่ไม่ค่าไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยเราก็จะเห็นความดับไปของเขานะเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับนี่เรามันจะเกิดปัญญาตรงนี้ว่าความโกรธมาแล้วก็ผ่านไปไม่ตัวไม่ใช่ตน นะแค่เราไม่ไปให้ค่าเขาก็จะผ่านไปเท่านั้นเองนะใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ในตรงนี้นะจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจนะมันจะไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์มันไม่ใตัวเมตตนของเราอยู่แล้วนะตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วว่าลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาก็คือไ ม, มไม่ใช่ตัวเมตตนเพราะนั้นกายและใจนี่จึงไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะ แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราตั้งแต่ตนแล้วเราไม่ต้องเป็นละไม่ต้องเป็นละอัตตาตัวตนเพราะว่าเขาไม่ใช่ของเราตั้งแต่นแล้วนะแต่เราเนี่แหละไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะกายเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแน่นอนนะ่ะเพราะเราส่วนใหญ่จะรู้ว่ากายไมแม่งเราแต่เราจะไปยึดจิตว่าเป็นของเราเนะพอยึดจิตว่าเป็นของเราปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างเป็นเราเยอะๆเลยมีความคิดเป็นของเรามีเรากําลังพูดมีเรามีอารมณ์ต่างๆนะมีตัวตนเราทั้งนั้นเลยนะ ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะมันไม่ใช่ของเรามแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่งเรานะเนี่ยแม้แต่ที่อาตนากลังพูดเนี่ยมันก็ไม่ตัวอาตมานะความคําพูดทั้งหลายมันไม่ของอาตมาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือความคิดก็ไม่ของอาตมาแม้แต่นิดเดียวนะมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นนามนะมันเป็นการสมมุติว่าเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ให้ได้นะนี่แหละมันจะมาเข้าใจที่ว่าสัพเพธรรมาอนตา ทำทั้งเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่ า, าทำทั้งปวงเป็นหาตาถ า, านิพินนติทุกเถริเสารมาโควิสุตติยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพันิพานอันเป็นธรรมหมดจดเมื่อผู้ใดเห็นว่าอ่าสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นตาตานะนั่นแหละมันจะเกิดการปล่อยกันวางการมสติดและเราก็ต้องเริ่มในตัวเราก่อนนะว่ากายและใจเนี่ยมันไม่ตัวไม่ตนของเราตรงนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็จะปล่อยจะวางจะไม่ยึดติดและนี่แหละเป็นหนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางคนทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตายอานอบนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงเสื่อความทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด